โลกพอมที่แย่ก hmm. uh, fo ันตอทว่อาบอกว่าสัตว์นักขั้นวิเคราะห์นัยสังก a ดกับสัตนักขันวิเคราะห์นัยศาสนาพุธตอนนี้เป็นเพราว่ารับบรับบกงงสังกเป็นโบราณคดีไปเป็นภาังกเียกวา a r c a e i f i e d อ, อ, อันนี้พระราชันธิ์คิดยางไงครับเห็นด้วยก็ระบบระบบการปกครองของสงเนี่ยตอนนี้นะมันก็จำลองมาจากการปกครองสงเมื่อสมัยรักาลที่ห้าพารบรสงปัจจุบันเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างจากพารบรสงปี รศรออ้อยี่สิบเอ็ดรศร้อยี่สิบเอนั้นก็มันรอ้อยกว่าปีมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยการปรกครองสวงเมื่อรอ้อยกว่าปีก่อนเนี่ยก็ลอกแบบมาจากการปรกครองของฝ่ายอาณาจักรก็คือว่ามีการปรกครองแบบแบบมณฑลแล้วก็มีข้าหลวง ของแต่ละมณฑลนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรุงเทพซึ่งการปกคอรองแบบนี้เนี่ยเรื่อง ก, การปกคอรองแบบเทสาธิบาลเนี่ยนะกาบปกคอรองมณฑลเนี่ยมันก็มาจากที่อังกฤษปกคอรองอินเดียปกคอรองพมา่าใช่ไหมนั่นคือสมัยอนณา น, นิคมใช่ไหมตอนนี้กาบปกคอรองแบบนั้นเขาก็เลิกไปแล้วเมืองไทยเราก็ไม่มีการปกคอรองแบบนั้นแล้ว น ะ, ะการปกครองฝ่ายอนาจรรักเนี่ยมันก็ไม่ได้ ก, ก้าวหน้าหะไรมันก็ยังก็ยังล้าหลังอยู่แต่ว่ามันก็พัฒนาไปจากเมื่อร้อปีที่แล้วมันไม่มีไม่มีข้าหลวงปกครองแล้วมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดใช่ไหมแต่ของสงเนี่ยยังเหมือนเดิมมีเจ้าคณะเจ้าคณะภาคเจ้าคณะขน น, นะซึ่งมันก็ แล้ก็มันรวมศูนย์ที่มหาเทียสมาคมซึ่งมันก็เหมือนกับการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลเมื่อร้อยปีที่แล้วมันรวมศูนย์มากใช่ไหมอันนี้คือเก่ากาปกครองการศึกษาคณะสงฆ์ก็เก่าการศึกษาคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของของคณะสงฆ์เนี่ย มันก็แทบไม่ต่างจากเมื่อสมัยรักาลที่หกร้อยปีที่แล้วไม่มีการประตูรูปการปรกาศศึกษาคณะสงฆ์เลยตั้งแต่สมัยรัการที่หกการปกครองสงฆ์เนี่ยก็ยังมีมีพรบออกมาอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็สามพรบแล้วเกี่ยวกับปกครองคณะสงฆ์ก็ยังเก่านะแต่ว่าการปกครองการศึกษาคณะสงฆ์เก่ายิ่งไป ร้อยปีมาแล้วทำไมเอ่อมีในอดีตมีมีพระที่ที่มีความสำคัญสูงมากชั้นพระผู้ตัดสัตวตอนนี้ยังมีพระป ร, ระโยชน์กับพระอาจารย์เองทำไมไม่มีปฏิรูปในในคณะคณะสงฆ์ในระบบคณะสงฆ์ทำไมตึง้งตึงเป็น อยู่แบบเดียวกันเป็นรอยรอยรอยควาพีแล้วจริงๆเนี่ย t r a d i t i o ของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยหรือแม้แต่คณะสงฆ์เทรวาสเนี่ยการประตูรูปตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะการประตูรูปคณะสงฆ์เนี่ยในรังการในพม่าเนี่ยหลวงท่านในไทยเนี่ยมันเกิดจากพระราชา ถ้าไปดูกับการปกครองนัสสงของของศิลลังกาซึ่ง 2,000 ปีมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการประตูส่วนใหญ่เนี่ยนะแทบทั้งหมดมาจากพระราชาเห็นไหมซึ่งก็เป็นการเจริญรอยตามมาจากพระเจ้าอาโศกพระเจ้ า, าโศกนี่ก็พศ300เห็นไหมของลังกาเนี่ยการประตุูครั้งใหญ่ๆเนี่ยก็เกิดจากพระราชา เช่นการรวมนิกายอย่างเช่นสมัยพศพันเ็ดร้อยมั้งพระเจ้าปรากรมพาหุเนี่ยซึ่งก็ถือเป็นเดอะเกรดเนี่ยก็มารวมนิกายได้ก็พอพระศกอ พ, อพระราชาคือพ ร, พระราชาไม่มใช่ว่มามโนคีใช่มโนคีอ่าอันนี้เป็นเทดิชนันของเทรวาตมาแต่สมัยพระเจ้าโศกมาใช่มแล้วก็ พมา ก, ก็เหมือนกันนะเมืองไทยเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราศึกดูดูการปฏิรูปสมัยที่เชียงใหม่นะที่เชียงใหม่เนี่ยก็พระราชาโดยเพราะของของเมืองไทยของเมืองของรัชนโกรศิลป์ก็พระราชากฎหมายตาสามดวงเนี่ยก็มีเรื่องกฎกฎพระสงฆ์กฎพระสงฆ์ใครออกใครออก ข้อพระราชารายการที่หนึ่งใช่ไหรายการที่5้าก็รีฟอร์มคณะสงฆ์โดยอาศัยน้องน้องน้องเนี่ยก็คือเป็นพระกรมพยาวชิรยามบุโรรถเพราะนั้นเนี่ยโดยเชื้อท่ชนเนี่ยสงฆ์ไทยเนี่ยมันไม่เคยมีการปฏิรูปตนเองโดยเฉพาะจากจากส่วนกลางจากคณะสงฆ์จา ก, ก Establishment จากสังฆะที่เป็น establishment ถ, ถ้ามีการปกถ้ามีการปฏิรูปโดยพระนะก็มักจะเป็นพระที่อยู่ข้างนอกเฟอร์รี่ฟร์รพระที่อยู่ข้างนอกอันนี้อันนี้มีในในลังกาในพม่าเนี่ยในไทยก็เหมือนกันพระที่เป็นที่ทําให้เกิดการปฏิรูปเนี่ยจะเป็นพระที่อยู่ชายขอบ <Okay. S 1> มาจินนะฮะตัวตัวศูนย์กลางเองของคณะสงฆ์เนี่ยไม่เคยปฏิรูปตัวเอง <Okay. S 1> มีครั้งเดียวในเมืองไทยที่ ปฏิการพิรุณาสง์เกิดจากศูนย์กลางคณะสงฆ์ก็คือการที่ห้าอาการที่หกาการที่หกเนี่ยกรมพยาววชยาวาโรรถท่านเป็นลูกท่านเป็นท่านเป็นน้องท่านเป็นลูกเจ้าท่านเป็นน้องของเจ้าอ้าท่านเป็นลูกพระราชาท่านเป็นน้องพระราชาท่านเป็นท่านเป็นอาพระราชาท่านปฏิรูปได้อรินส์พระวชิรยานเนี่ย <c oughs> เป็นคนสำคัญมากในเรื่องการปตุรูปคณะสงฆ์ในไทยแต่เป็นเอ็ก p t เซ n ชันการปตุรูปส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาจากพระนั่นจะเป็นพระข้างนอกเช่น <Okay. S 2> สันติอโศกอจารพุทธทาสใช่ไหมครับก uh, ok uh, ็พัคิดว่าพระอาชารย์บอกว่าปัญหานี้ทําหายพระเกายกกัน separate from the people เขาแยกกันกับกับพระทัชนธรรมดา เขามค่ยในสมัยก่อนพระกับชาวบ้านก็พุกปันใช่ไหมครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากเต่ตอ น, นี้เป็นเมือนที่แยกกันแล้วก็ชาวบ้านไม่คอยสนใจเรื่องพระแล้วก็พระไม่คอยไม่ค่อยดูแลเรื่องชาวบ้านใช่ไมครัอันนี้มันเป็นการปกครองนะเป็นผลจากการที่พระสงฆ์เนี่ยไปไปใกล้ชิดรัฐ รัฐบาลว่าสเตทมากซึ่งก็เป็นผลจากพรบรสงบับนี้ฉบับรศอ้อยยสิบเอ็ดอันนีไไ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม<ช>มากนักพรบรสงค์เนี่ยมันทำให้คณะสงัเนี่ยถูกน a ช i ั n น l ไลซ์ในรัการที่ห้าเนี่ยทุกอย่างน a ช i ั n น l ลไลซ์หมดใช่ไหมแต่ก่อนมันเป็นเรื่องของ โลเคลทุกอย่างแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนในเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องของโลเคอลหมดเลยแตการที่ให้ป็นคนแรกที่น i ชแน l ไลซ์ทุกอย่าง Nationalize ภาษาภาษาก็ต้องภาษาไทยเข้มามานิชแนลไลซ์ทหารนิชแนลไลซ์ตำรวจ n Nationalized ก, การภาษีแล้วก็นิชแนลไลซ์ศาสนาและคณะสงฆ์เพราะและ้วเนี่ยคณะสงฆ์ก็อยู่ภายใต้กระบอกของพระราชา มาเทนสมาคมเนี่ยรศ .221 เนี่ยเป็นแค่กรรมการเพื่อให้ความเห็นถวายความเห็นแก่รัชกาลที่ห้าเพื่อทรงตัดสินมีวินิจฉัยการตัดสินอยู่ที่รัชกาลที่ห้าไม่ใช่อยู่ที่มาเทนมาเทนเป็นแค่ที่ปรึกษา advisory board นะเพราะฉะนั้นะ พ, รพระราชาเนี่ยคือ สังคารที่แท้จริงและการที่5คือสังคารที่แท้จริงอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คณะสงฆ์กับรัฐเนี่ยทำให้สงฆ์เนี่ยมาอยู่มาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างชัดเจนถึงแม้เราจะไม่มี absolute monarchy แล้วนะแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็มาทำหน้าที่แทนก็คือว่าคณะสงฆ์เนี่ยอยู่ใต้การปกครองการควบคุมดูแลของรัฐนะะ ส่วนนี้แล้วก็ยังมีอำนาจอยู่ยกตอย่างเช่นสังฆราชจะแต่งตั้งเนี่ยก็ต้องนายรัฐมนตรีก็ต้องเสนอชื่อถ้าเป็นสมเด็จก็ต้องรัฐมนตรีกทรศึกษา่นี่ปัญหาเรื่องสมเด็จช่วงจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่ามันไม่มีกฎหมายพรบรสงเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็สงก็ว่ากันเอง เรื่องสัด็วงเวลาเราดูส mm ัง hmm. กักที่เป mm ็นหนึ่งพันเก้าร้อยกสิบสอ a ก็บอกาพระที่มีระดับสูงสุดในสมณะสักพระมหาเทราสมาคมเขาชื่อเนนามใ้นากรัตัน แลาะนนี้ก็ริมนวยการโอนสื่อไพรหากษัตร์แล้วกพรหากษัตร์ตัทิ้งัยแต่ที่ผมเห็นว่านายกเรื่อนี้เขามีมีอำนาจปรี่นพรี่นใช่มครับรูปอาชีพผมก็ใช้ยปอ่มันมีอเมนต์มันมีการมันมีพรบจะบอบแก้ไขปีสาห้าที่ให้เขาใช้คาว่า นายรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของหมหาชนสมาคมเป็นผู้เสนอชื่อสมเด็จพระราชคณะที่มีอาวุโสสูงสุด <Okay. S 1> พรบรปีพันทะร้อยเนี่ยผู้มีอายุสูงสุดอาวุโสสูงสุดหมายถึงว่าอายุมากที่สุดซึ่งอายุมากที่สุดอาจจะเป็นเก้าสบห้า ทำอะไรไม่ได้แนละ้วเขาก็ไปแก้ไขเป็นว่าผู้สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เดชพระราชกันนะที่อาวุโสสูงสุ ด, โ ด, โ, ดโดยตำแหน่งหมายถึงว่าคนที่ได้รับเลือกเป็นสมเด็จคนแรกแต่ว่าเขาใช้คนว่านารุษพนตรีโดยความเห็นชอบของมาเทศสมาคมก็แปลว่าอะไรมันก็ตีความแล้วว่า และแต่ยตีความว่ามหาเถรสมาคมเสนอชื่อก่อนและนะ้วนายรัชมนตรีแค่เป็นมิสเซนเจอร์หรือว่านายรัชมนตรีเป็นผู้เสนอแต่ว่าแ p ดพรูฟโดยมหาเถรสมาคมครับอันนี้มันตีความเป็น Interpretation อย่างยังม่แ น, น่ใช่ครับก็เวลาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าพระพระคณาสูง โลกว่าท uh, uh, uh, uh, ์วาทเกาได้ประโยชน์เพราะเขาใช้สันนิพนธได้ให้ l e g i t i m a t i o n อำนาจ l e g i t i m a t i o n of power แต่พร่งเขาได้ประโยชน์อะไรในความสัมพันธ์ลรู้เขาไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ได้ support ได้ซัพพอร์ตจากรัฐเช่น financial support เงินเงินสนับสนุนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยพระเจ้าว่าทุกลูกก็ได้เงินจากรัฐบาลเงินเดือนเจ้าว่านะแล้วถ้าเจ้าคณะจังหวัดเจ้ า, า, จ า, า, าคณะผลเจ้าคณะภาคเจ้าคณะก็ได้เงินเงินเดือนเรื่อนิติยพัฒน์นะซัพพอร์ต สปอร์ตหลายอย่างสปอร์ตเงินอุดหนุนวัดเงินอุดหนุนวัดก่อสร้างเงินอุดหนุนการศึกษาก็าได้จากรัฐใช่ไห ม, มอันนี้เป็นสปอร์ตเป็นสิ่งที่ประโยชน์เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์โดยรวมแต่ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือประโยชน์ขึ้นกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่บนท็อป ใช่ไหมก็ก็ได้รับได้รับการที่ได้ใกล้ชิดกับกับรัฐธรรมมันก็เป็นเรื่อง p r e s t i g ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าพระชันผู้ใหญ่ก็ก็ชอบที่จะได้ที่จะให้รับที่ได้รับความสนับสนุนและความใกล้ชิดกับรัฐมันเป็นเรื่อง p r e s t i g ซึ่งอาจจะมันหมายถึงหลายอย่างหมายถึงผลงประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมเพราะในเมืองไทยเนี่ย <Yeah. S 1> prestige มันมันรวมไปถึง connection <Yeah. S 1> connection means power and money ใช่ไหม <Yeah. S 1> ถ้าสมมติสมเด็จพระราช า, าคณะกา้ชิดกับงนายกรัฐมนตรีก็อาจจะขอเฟเวอร์ ว่าให้ให้ญาติคนนี้ได้เป็นผู้ว่าให้โยมคนนี้เป็น <Yeah. S 1> อธิบดีกรมตำรวจใช่ไหม mm hmm. อันนี้มันเป็น p r e s t i ซึ่งมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ ego <Yeah. S 1> มันหมายถึงผลประโยชน์ <Okay. S 1> ของตัวเองและของเพื่อนพ้อง <Okay. S 1> เพราะเมืองไทยเนี่ย connection เนี่ยมันมีความหมายมากนะอัน <Okay. S 1> <Yeah. S 3> นี้เป็นเรื่องที่นะ่สนใจมากเวลาผมหัน นอกจากนี้ a ระอาจานพระอาจา a ย์คีย์นายวัมไทยนไยขาพูด่านนัยคลุมเล็ก u เท a n เมื่อเขาพูดผ่านนัยระด o บสังคมคุปปมคุปปมมีความมุ่งสุดเหมือนกันว่าวาเชนเชนเวลาพราไปเท่างประเทวลาทยเจอกันเขาันเมื่อเ a าเ่อทีนที่ปารีสเา ก็ไม่มองนะ้ำแล้วก็พอมว่าอันนี้เป็นเป็นเพราะแหละพ อ, อะมมีสุขความีอะไรที่เกิดในในร ะ, ระดับสังคมที่เป็น social cohesiveness ที่ทำพุ่งไปในระดับระดับความแข็งในสังคมแต่คนไทยถ้าเป็นผมเป็นคนใต้ด้วยกันนะถ้าไปเจอที่ฝรั่งเศสนี่ก็คุยกันนะครับถ้าเป็นคนอีสานไปเจอที่ฝรั่งเศสเจอกันที่เบลเยีเเยม ก็ก็คุยกันนะความรู้สึกภาคเนี่ยความรู้สึกเป็นภาคเนี่ยมันยังมีอยู่นะเนี่ยอาจจะเป็นกนไทยที่ที่อยู่ในเมืองอาจจะทำแบนี้มาก่าหรือจะเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพจะไม่ค่อยรู้สึกผูกพันกันเท่าไหร่แต่ถ้าคนอีสานเนี่ยไปเจอกันต่างประเทศคนใต้เจอกันต่างประเทศเนี่ยก็จะก็จะพูดคุยกันได้มากกว่าคครรัับบ คนไทยความรู้สึกเรื่องภาคนี่เรื่องจังหวัดยังยังมีความหมายนะค่ะเพระอาจารย์คิดว่าเรื่องในระดับสังคมมีมีอะไรที่กัดในประเทศไทยไหมครับขาดเพราะคนไทยไม่รู้สึ ก, ค น, สกคนไทยรู้สึกว่าไม่รู้สึกมีเซนส์ออฟคือความรู้สึกในเชิงความรู้สึกผูกพันกับสังคมมีน้อยสังคมมันเป็นนามธรรมใช่ไหเอ่อ แล้ว ก, ก็การสร้างสางนึกทางสังคมเนี่ยมันน้อยไม่เหมือนกับการสร้างสางนึกเรื่องความเป็นชาติความเป็นชาติเนี่ยมันถูกสร้างเยอะคนชายจะรู้สึกรักชาติมากแต่รักสังคมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเราสึกของเราส่ซสังคมกับชาตินี่มันไม่เหมือนกันเราบอกว่าในประเทศไทยมีสามพิลาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เดตตอ น, นี้ดูเมือนศาสนาพุทธก็มีเคายเป็นพิลาเลโอเพราะว่ากำงซับซอนมากกำ隆เป็นเป็นฝรั่งเศสเป็นเป็นอะไรที่กำลองออนเอามากใช่ไหมครับตอนนี้อุดมการ์มันจะหนัาไปทางด้านาศาสนากับอะไรงลาดจับพระอักษัตริย์บางคนก็เรียกว่าเป็นอุดมการ์ราชาชา้นนิยม รอเนี่ยเป็นอุมการที่เข้มแข็งมากราชาชาตินิยมามา <Yeah. S 1> ซึ่งมันก็เป็นคอมบิ n เนชันระหว่างชาติกับพระมากษัตริย์รวมกันเป็นราชาชาตินิยมไม่ใช่ชาตินิยมีนะต้องมีราชาเข้ามาด้วยเทเพราะว่าใ okay. okay. น, นช่วงนี้ประเทศไทยกาลงังกาลังอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน เป็น uh, transition เรื่อ a ราวโลวาระบอบกงกงปัจจุบันเมตัมการเล n อเทโ e ยังเมโละตรง t พียงเป็นเพียง e ป็นอย่างไรในช่ว transition ปมคิดว่า s าสนาคำมีบทบาทช่วยเพรา o ว่าส่วนใ a ญ่ศาสนาเป็น moral moral guide c h ่นที่ f r i ร a tai v e เ a ล รับอพารเต์แค่ไมลังค่มนไปมีเดสมนตทุกทูเขาไปพูด l ล c a l ไปยังช่วยสังคมพรับพรับพร่องแต่พระอาจารย์คิดว่านายประททยส a s า n a p u t เขาทำบ๊อบบัตยงนี้ทำได้ไหมครับม o r ั l g u i ทำได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมันเกิดอะ สภาพพลไลเซชันมากตอนนี้เนี่ยทุกสถาบันแยกออกมาถูกถูกแบ่งถูกแบ่งและถูกมองว่าไม่เป็นกลางถ้าไม่สีเหลืองก็สีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีคนที่จะได้ละ ก, การ ยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยมีน้อยเพราะคนไม่ว่าใครก็ตามก็ถูกมองว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งถ้าไม่พวกเราก็เป็นพวกมันเป็นพวกเราก็ฟังถ้าเป็นพวกมันเราก็ไม่ฟังตรงนี้มันทาให้มันทำให้อาการที่จะมีผู้นำที่จะ เตือนสติคนในสังคมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยลงหรือเป็นที่ยอมรับน้อยลงอันนี้มาจกมาจักไหนครับทำไมเป็นตรงเป็นแบบนี้ที่มี p o ล a r i z ซ t i o นคุยกันไม่ได้ชชยระบบ r a t i o n ไม่ได้ตรงตงกว่าโอ้ถ้าคุณไม่อยู่กับผมคุณอยู่ฝั่งนี้คุณเป็นสวดิ์คุณเป็นสว่ง มันมมััันนนคกสะสมมานานตั้งแต่สมัยมันเป็นเวลาสิบปีมาแล้วมันมันเริ่มต้นจากการการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมจากการต่อสู้ทางการเมืองคือตอนนี้ทุกอย่างในเมืองไทยมัน politicallyized หมด everything Thailand is already politicized และ product politicized ใช่มันก็มีแต่ว่าสีเหลืองหรืสีแดงตอนนี้เมืองไทยเนี่ย ไม่มี moral issue แล้วมีแต่ p โพลิ i ิคอลอิชูใช่ไหมมึงท่านไม่มี moral issue มันมีแต่ political issue เวลาเราเลสประเด็นอะไรขึ้นมายกตัวอย่างเช่นกรณีสรยุทธ <Okay. S 1> รู้จักไหม okay. รู้จักกัน okay. กรณีสอเรยุทธเนี่ยบางคนบอกมันเป็น moral issue เขาควรจะลาออกไหมจากการเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ ตอนนี้คนส่นใหมันมองว่า น, นี่คือ political issue <c oughs> ใช่ไหมว่าสอรุเป็นพวกใคร moral เนี่ยเป็นเรื่องความถูกต้องถูกหรือผิดใช่ไหม <c oughs> แต่ political เนี่ยเป็นเรื่องของว่าเป็นพวกใครถ้าสอรุธเป็นพวกเราเราก็เชียร์ถ้าสอรุษไม่ใช่พวกเราเราก็ต่อต้านหรือถ้าคนบอกให้สหรุษลาออกเป็นพวกเดียวกับเราเราเอาด้วย ถ้าคนที่บอกว่าสรายุทธ์ลาออกไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนละข้างกับเราเราก็จะเชียร์เราก็จะปกป้องสรยุทธ์มันไม่ใช่เรื่องความถูกต้องแล้วมันเป็นเรื่องว่าใครนะ <Okay. S 1> สรยุทธเป็นใครหรือพวกที่ต่อต้านสรยุทธเป็นใครอันนี้มันบลิตุทธิ์ i s s u แล้วก็ทำไมโมฮาลิตีโมฮัลอ s s u e ทำไมให้ให้ไปเป็นเป็นพราอะไรครับ มันถูก p o l i t i c a l l มถูกมองว่าเป็นเรื่องว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชนถ์ถูกมองว่ามันมีเบื้องหลังทุกอย่างมีเบื้องหลังมีเด d d e n a g e ทุกคนมีอัลชเรียทุกคนมีเจตนาเบื้องหลังใช่มชจริงจริงเราเนี้มันก็เป็นกันทุกประเทศนะในอเมริกาเนี่ยตอนเนี้ยจะเลือกใครเป็นซุปรีมเป็นเลือกใครเป็นซุปรีมเป็นสารดีกาเนี่ย เขาเขาจะไม่ดูว่าเขาจะไม่ดูว่าคนนี้เนี่ยดีเก่งไม่เก่งดีไม่ดีเขาจะมองว่าเป็นพวกใครถ้าโนมินีคนนี้เป็นเดมโมแครตไรับลิกฟิลิปปิกันก็ไม่เอา <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้การเลือกการเลือกสารดีการในอเมริกามีปัญหามากเพราะเขาไม่ได้มองความสามารถเขามองว่าเป็นพวกใคร <c oughs> <c oughs> มีความเห็นเฟเวอร์ <f avor> พวกไหน ถ้าเฟวอรพวกเราเราก็เลือกถ้าไม่เฟวอรพวกเราเราก็ค้านแค่นี้ใ น, ในประเทศไทยผมฮนานัวพระอาจารย์บอกว่ารุยองสักซิตเป็นรุยองที่ h i g เลยตอนนี้ไม่มีอะไที่สักซิตอาจจะเป็นพราะว่าพระเจ้ากระชิรยานเข้ฟคิอุรุยอง s c i e n t ิ f i c เป็น scientific Buddhism ล้ก ที่เป็นเรืยองพิเรื่องเรื่องนิบบานาะกรรมการกรรมการอย่นใจถ้าต่แไม่มีเรืยองสักสิ่งทีทำให้ morality หายไปด้วยใช่ไหมครับยังไม่หายนะ morality ม, มันคืออันตรายที่ว่าเคยวัชรยานเนี่ยท่านท่านหนักไปทาง rationalization ก็ไม่เชิง scientific สิเดียว rationalization และ morality เนี่ยมันก็ rationalize ได้ Morality เนี่ยมันเป็น Moral Secular ก็ได้ใช่ไหมทนายละมะ ก, ก็บอกว่าท่านก็สามส่วนเรื่องเซคูเลียโมราลิตี้นะทนายละมะนะ mm hmm. เพราะว่ามันมันไม่ต้องอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันทุกศาสนาเนี่ยใช้เหตุผลเดียวกันได้ดังนั้นท่านเสนอเรื่องเซ c u l a r Ethics ส <Okay. S 1> ์และท่านมาคิดว่า Scientific Rationality กับ โมเลกุลนี้ไม่ขัดแย้งกันนะ <Okay. S 1> นัะนปรัชญาที่เสนอให้เคารพสิทธิของสัตว์เนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลทางด้านเขาก็ใช้ใช้เหตุผลมาสนับสนุนไม่ได้อ้างเรื่องบาปใช่ไหมตอนนี้ผู้รักสิทธิของสัตว์เนี่ยอย่าง Animal Rights เนี่ย <Okay. S 1> เขาก็ไม่ได้อ้างอ้างไม่ได้อ้างอ้างบุญบาป เพราะอ้างใช้เหตุผลใช้คอนเซปต์เรื่องสิทธิใช่ไหมอย่าไปฆ่าสัตว์นะสัตว์ก็มีสิทธิเหมือนเรานะใช่ไหมอาจารยแม่ตระมาคิดว่าการที่ลดความลดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นบทศักด์ตอการที่จะเสนอโมดอลิตี้ปัญหาของโมดอลิตี้มันอยู่ที่สิที่อุกลาวของโมดอลิตี้มันอยู่ที่เรื่องความไบแอส และความเห็นแก่ตัวมากกว่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับสังคมที่เป็นซกคุลล่าใช่ั้ยด้วยความสัมพันธ์ระหว่างศสนาพุทธกับกับรัฐที่ที่อยู่ตรงเจลอยปีทีเรียวอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ไหมครับที่เป็น confusion link link between uh, Buddhism o n state uh, อันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ทีใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่เพราะมันทําให้พุทธศาสนาเนี่ยมันถูกใช้ไปในทางตอบสนอง รัฐตอบสนองเนชชวลลิซึมใช้ศาสนาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ใช้ศาสนาในการต่อต้านศัตรูของรัฐใช้ศาสนาในการต่อต้านพวกที่ยกตัวอย่างพวกที่ ท, ที่ไม่ใช่โลยอลิสใช่ไหมไอ้พวกที่ไม่เฟเวอร์โลยอลิสไอ้พวกนี้เป็นพวกบาป ไอ้พวกนี้มันมันไม่มีความกระตันดูรูปคุณอะไรเนี่ยเข้มะหรือพวกที่คล้ายๆรัฐบาลพวกนี้มันมันไม่ใช่คนไทยมันไม่มีความกระตันดูมันต้องไปไปอยู่ประเทศอื่น <c oughs> คือมอร์ิตี้เนี่ยมันถูกใช้ไปในทางการเมือง <c oughs> นะบูติสมอร์ลิตี้มันถูกใช้ไปเพื่อสนองตอบเนชชนาริซึมการเมือง หรือผู้ปกครองก็สมัยรัชกาลที่หกอ่ะก็อ้างพุทธศาสนาเพื่อสนับสนุนการไปทําสงครามในสงครามโลกก็ที่หนึ่งใช่ไหมพอพระอุอบาลหรณอคุณ ป, ปนาประมาจารบอกว่าพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยกับการทําสงครามรัชการที่หกนี่สั่งลงโทษเลยเพราะพุทธศาสนาจะต้องการให้ศาสนาเ น, นี่ยมารับใช้ชาติ ก็พอมักทีเลไปที่วอน่ที่น่ามพลูกก็ปนสัมผัสกับพระพุธอิสรังก็พมยายามคิดใชมุมงของเขอตรีว่าข้เป็นพระทเข้าผสมคำนิยมกับกับศาสนาลัท t ิพุทธสันต์แต่เม o n อไหร่จะเห็นผมเมื่อไหร่ก็ใที่อาทิตยว่าศาสนาง ต้องเป็นคนเมียงหรือคนเมียงต้องเป็นศาสนาพระอาจารย์เองคิดอย่างลยครับก็เห็นด้วยก็คานธีก็พูดอย่างนั้นอ่ะการเมืองที่ไม่มีเพที่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยศาสนาตมานี่หมายถึงคุณธรรมนะการักนของศาสนาคือเรื่องโมราลิตีใช่ไหมศาสนาที่ไม่มีโมราลิตีก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมการนี้เนี่ยถ้าศาสนาเนี่หมายถึงว่าโมราลิตีเนี่ยนะ การเมืองก็ต้องอิงศาสนาการเมืองที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยมันก็มันก็เลวร้วายใช่ไหม <Okay. S 1> ส่วนศาสนาก็จะเป็นการเมืองได้ในความหมายที่ว่าพยายามทําให้ <c oughs> ทําให้การเมืองเนี่ยมันรับใช้ประชาชนมันเป็นประโยชน์มันมีคุณธรรมมันไม่คอร์รัปชัน <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นหน้าที่ศาสนาที่จะต้องไปอิมโฟเรนซ์การเมือง <Okay. S 1> ซึ่งสมัยก่อนพระก็เขาทำหลวงปู่โตก็ทํา พระทังนก็นไปเตือนนักการเมืองนะ ม, มันอยู่ที่ว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยของการเมืองเนี่ยเพื่อคุณธรรมหรือเพื่อ supremacy ของศาสนาถ้าการเมืองเนี่ยเป็นไปเพื่อ supremacy เนี่ยของศาสนาเนี่ยมันก็ไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงการที่ไม่มี morality ก็ได้อย่างสมัยยุคกลาง middle เ g e เนี่ยนะการเมืองก็เป็นไปเพื่อเซิร์ฟศาสนาใช่ไหม ก็สั่งฆ่าสั่งเผาคนที่คิดไม่เหมือนกับศาสนาจักใช่ไหมถ้าเป็นอังกฤษก็ฆ่าโปรเตสแตนต์ฆ่าลูเทอรันนะถ้าเป็นโปรเตสแตนต์ก็ฆ่าคาทอลิกใช่ไหมเนี่ยคือการเมืองเพื่อสุปเ e มิซีของศาสนามันไม่มีโมราดิตี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องเข้าใจว่าคาว่ากะศาสนาเนี่ยเราหมายถึงอะไรหมายถึงสุปเ e มิซี หรือหมายถึงโมใช่มครัคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ฮาวด้วยนอกจจุดหมายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ฮาวทำอย่างไรใช่มจะดึงจะดึงให้ให้การเมืองเข้ามามีคุณธรรมเนี่ยทำอย่างไรบางคนบอกว่าก็ให้ก็ให้ให้พระเนี่ยเป็นผู้ปกครอง ใช่ไหมอันนี้ถูกไหมมันก็อาจจะผิดก็ได้เพราะว่ามันพอเป็นเทโอ c ราซี่แล้วเนี่ยมันก็เกิดประเด็ด ก, การใช่ไหมอย่างอิหร่านเนี่ยหรืออย่างวัติกันเนี่ยใช่ไหมนั้นเนี่ยเราเที่ว่าฮาวสำคัญเหมือนกันนอกจากจุดมุ่งหมายต้องชัดแล้วว่าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสุปเรมซีของาศาสนาหรือเพื่อมอรัลิตี้ของมนุษย์ได้ขึ้นอยู่ว่าฮาวคุณจะทำยังไงให้การเมืองเนี่ยเป็น มีคุณธรรมคุณจะไปเป็นนักการเมืองเองเหรอจะให้พระเนีย่ยไปเป็นนักการเมืองไหมธรรมพุทธศาสนาก็ไม่เห็นด้วยผู้ธศาสนาต้องห่างออกมาจากการเมืองแต่ไปอิมเพร์ได <c oughs> ก้การเมืองเป็นเรื่องการเมืองลแบบักษณะที่เป็นการเมืองแบบการมีประการชา่มหน้าเนี่มันก็เป็นเรื่องของคาราวาสไปเพราะว่าพระพุทธเจ้ามาจากครอบครัวที่ พองพระพุทธจชอบเป็นเป็น king from minor kingdom ใช่ไหมครับเพราว่าเขาเขาช่วยกันชรวชาระวง่งอนาชาติฮ ก, กดาก ใ, ชใช่ไหมครับใช่อันนั้นก็ทำหน้าที่ของของอันนั้นก็เป็นหน้าที่ในทาง o ม a l i t y นะเขาเจำเป็น้วยการทำสงครามอยู่แล้ว <Okay. S 2> แต่ว่า ผู้จ้ามีสถานะทีไ่ได้เปรียบถ้าเกิดว่าไ ป, ไปเป็นเจราจาระหว่างคนที่เคยเป็นพญาตคนที่เป็นญาติยผู้จ้าก็เป็นเมเดิเอเตอร์ได้ดีกว่าแต่แต่ถึงไม่ใช่ญา ต, ผาติผู้เจ้าก็ถือว่าเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม <Okay. S 1> ที่ต้องเจราจารไม่ให้เกิดสงครามมงมั่งขอ ง, อ ง, อ ง, องประชาชนออาวตฒนธรรมเป็ น, ปนอย่างไรครับ แล้ต่มก็ไม่เห็นด้วยคําสอนและวิธีการซึ่งสร้างปัญหาคําสอนก็มันก็ผิดหลักพุทธศาสน า, าเยอะตั้งแต่ต่ำสุดจนถึงบนสุดต่ำสุดคือเรื่องบุญสูงสุดคือเรื่องนิพพานก็สอนผิดพลาดคาดเคลื่อนมากซึ่งถ้าเป็นาศาสนาอื่นเป็นมหาเป็นมหายานเราต่อมก็ไม่สนใจ มหาจางก็สอนอะไร <c oughs> แตกต่างจากพุทธเถโลวะต่ อ, าาอตมา ก, ก็ไม่เดือดร้อนแต่พอกขาประกาศวาเขาเป็นเถโลาวะาใช่ไหมอันเนี้มันเป็นปัญหาล้วสองวิธีการวิธีการใช้วิธีการแบบต้องเรียกว่าไม่ใช่แค่ชักจูนไม่ใช่แค่ชักจูงแต่ว่ามันมีล่อลอกด้วย อถึงขฐานหลลอกวงเช่นไปเห็นสตีฟจอปอะไรเงี้ยไปไปไหว้พระเจ้าบนนิพพานอเหตุนาณิพพานไปไปถวายอาหารพระเจ้าทุกทุกวันทุกต้นเดือนอาทิตย์ต้นเดือน okay. อะไรเงี้ยอันนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงแล้วขอบพระเจ้าทีว่าวัตถมะคาอันเทลายไมยสําหรับ ส asanaput นัยพัตถะนัย่าจะมาคิดอย่างนั้นเน่ยเพราะว่าทำํำไมเกิดความเข้าใจที่ผิดมากแล้วก็ที่สำคัญเขาเขามีความเขามี a m บ i t i o n สูงแล้วก็ต้องการครองต้องการคือเขาต้องการครอบงําพุทธศาสนาให้เป็นอย่างเขาอ m b i t i o n ที่เขาสูงแล้วก็เพรา้าก็ต้องไปเล่นการเมืองเพื่อที่เขาจะได้มีอำนาจ ในคณะสงฆ์แล้วก็มีอำนาจในทางเพื่อปกป้องตัวเขาด้วยและเพื่อพยายามที่จะเผยแพร่อำนาจของเขาเผยแพร่อิทธิพลของเขาคือสิ่งที่เขาทำหลายอย่างมันมันเป็นสิ่งที่ขัดกับคําสอนของพุทธศาสนาแล้วก็มันเป็นอันตรายด้วยในการทําให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดค่าเพิ่น มีปัญหาหนึ่งที่ที่ผมหารเาก้าบกควาอ่าที่เป็นธรรมกายเป็นเป็น อ, อะไรที่เป็นมานนเป็นเกาเก้าิายันกันสอนอ่งอัตากับอันตรายอันนี้เป็นปิดปิดกันอนอันนี้ภาษาาสาร์ถือเป็นเรื่องใหญ่มากามันเป็นหัวใจเป็นจุดหมายสูงสุดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ แต่ p uh, r uh, a s a n r a t กับมหาเทราสมาคมเกาไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแต่ prasangarat ที่มัวร์นาเลวเขาเกาเป็นวงเรื่องนี้ใช่ไมครับถ้าถ้าพูดถึงปัิลูปคณนาสงราบบคณนสงท่องพระอารกิดว่าทงปฏิรูปยังไครับ ปฏิลูกการปกครองคณะสงฆ์ให้กระทำนานมากขึ้นแล้วก็มีความโปรง่งใสนะโปร่งใสในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเรื่องการโปรโมชั่นเรื่องการเงินเรื่องการบริหารสองปฏติลูกการศึกษาคณะสงฆ์อันนี้เป็นหัวใจเลยนะ อนนตอนพัติลูปอีอังไรครับร้องคันซักซ่าตองเขียนเขียนนองเสเลไม้ลูก ป, ปีอังไรครับใครเขียนอ่เพราะว่าผมคิดว่าในปัจจุบันคันซักซ่ากัน่ า, นาสงเขาใช้นองเซือที่เป็นตัราเป็นตรานาเขียนใช่ไหครับตําราตัมาว่าไม่ไม่เท่ายังยังโอเคนะแต่ว่าตอนนี้วิธีการวิธีการสอน วิธีการบริหารตอนนี้มันมีปัญหาเยอะอยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นการสาของรัฐเนี่ยถ้าเป็นการสึาของฝ่ายทางโลกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะจะต้องสับสนุนให้มีโรงเรียนที่แพร่หลายถ้าไม่สร้างเองก็ต้องสับสุนให้มีโรงเรียนเอกชนที่จะขึ้นมาแต่ของคณะสงฆ์เนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของวัด จัดการกันเองวัดจะมีก็ได้ <c oughs> ไม่มีก็ได้คณะสงฆ์ทรหน้าที่ทําออกข้อสอบสอบได้ก็โอเคสอบไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรค <c oughs> ณะสงฆ์ต้องทรหน้าที่ไปส่งเสริใมให้มีการศึกษาขึ้นทุกวัดต้องทำนี่เป็นเรื่องของ management เข้วมา แล้วก็วิธีการแล้วก็หลักสูตรหลักสูตรเนี่ยัที่สำคัญคือว่ามันเป็นเนน้เรื่องวิธีการสอนมันในเรื่องการท่องจํำมากพราเนี่ยไม่มีมีความเครียดมากความไม่รู้จะท่องจําไำจะเรียนไปทําไมเพราะว่าไม่ได้สอนให้รู้จักคิดมองไม่เห็นว่าเรียนไปแล้วได้ประโยชน์อะไรเอาไปใช้กับชีวิตได้ไหมก็ไม่เห็น เรียนภาษาบาลีไปก็จบไปก็สึกไปก็เอาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้จะไปขอวุฒิก็ขอไม่ได้ใช่ไหมโนมติเวชันการสอนนี่ไม่ทำให้กระตุ้นให้เกิด motivation การสอนนี่ทำให้คนเกียรติ <c oughs> เกียรติการศึกษาเน้นแต่การท่องจำหลักสูตรก็เป็นเน้นแต่เรื่องของปริยัพ ปฏิบัติมองข้ามใช่ไหม <Okay. S 1> ตำราเก่าเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตัมมาก็ยังอ่านหนังสือของก็ยังใช้หนังสือของ Prince วัชริยานอยู่แต่ว่า <Okay. S 1> แต่ว่ามันไม่มันไม่พอแ <Okay. S 1> น่นอนถ้ามันมีอัปเดตก็ยิ่งดีแต่มันไม่พอเพราะมันเป็ในเรื่องสมองมาก ล้วสมองในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้จักคิดแต่หมายถึงการท่องจำใช่ไหมรู้จักคิดก็ยังดีนะถึงแม้จะรู้จักเลช์นาไล์ก็ยังดีแต่แค่นั้นไม่พอเนี่ยมันต้องต้องนี่ด้วยจิตใจมีแม่ตากรุณามีสติมีสมาธิ <c oughs> มีแรงต้านทานต่อคอนซูเมริซึมแมทริลิซึมาไม่มี ถ้าพูดจึงศาสนาพุทธทวปในา伊菩提泰ถ้าถ้าเราพยายามเรียนรู้อย่า u บูติสมพัฒน์ทีลศาสนาพุทในาย菩提泰ตรงตรงไปตรงรับจะทอยางไรอ่ะก็ับตรงไปตองไหนตรงตรงทำงทำยังไงแตาพูจึงไม่พูดถึงการส่งอยังเดียวเท่พูดถึงศาสนาพุ ท, นทธนาย菩提泰 ม, มันจะมนาวต้องเริ่มต้นที่ประตูลูกคณะสงฆ์นะแล้วก็ต้องเริ่มต้นที่อันนี้กันนันแรกแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ต้องตามมาคือประตูลูความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์คณะสงฆ์กับสังคมให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นห่างจากรักแล้วใกล้ชิดกับสังคมมากขึ้นแล้วก็เผยแพร่ให้คนเนี่ยมีความเข้าความรูคม้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาและบทบาทของพระสงฆ์ คนถ้ามีความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ดีก็เนี่ยก็จะไม่สับสนธรรมกายเพราะเหตุว่าธรรมกายเนี่ยมันเขาเขาสิ่งที่พระธรรมกายทำเนี่ยหรือสิ่งที่ว่าธรรมกายทำมันไม่ใช่เป็นวิสัยของของพระใช่มต้องต้องมีความรู้แล้วคนถ้ารู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรเนี่ยก็จะไม่ไปหลงธรรมกายมากเพราะว่าธรรมกาย เขาจะเน้นเรื่องความมั่งมีความร่ํารวยเพราก็ชูธงเนี่ยรอดตายหายป่วยร่ารวยมีชื่อเสียงอันนั้นไม่จุงวางชาวพุทธจุดวาชาวพูทมันก็คือเพื่อนละ้ะไม่ใช่ร่ํารวยไม่ใช่มีชื่อเสียงแต่จริงๆไม่ใช่ธรรมกายที่สอนอยู่นี้พระหลายๆที่ก็สอนสอนให้รวยรวยรวยใช่ไหม กบ็บังคับพอมเราไปวาดพอมแหงว่กกาเขเขียนชื่อกับให้เงินจนนนํานวนวๆๆเท่าไรบางที่าเพราะอย่นี้คนทําบุญก็ทำเขาเรียกเขาเรียกทำบุญเอาหน้าภา<ช>วนาตอนแหลไม่ใช่สํานวนปิดตรงลองพอ <laughs> อ่ออ <ๆ S 1> เขาพูดมานา้ทําบุญเอาหน้าภาวนาตอนแหล <c oughs> ่ก็คือถ้าคนเขาจะพุทธศาสน า, าก็จะรู้ว่ามันทําบุญเอาหน้าไม่ถูกแล้วก็จะไม่ภาวนาเพื่อ ไปหลอกลวงผู้คนหรือสร้างภาพแล้วก็สุดท้ายเรื่องระบบ ส, สมนาสัก ส, ส, สมมาสั ก, สสกใช่ไหมครับใช่ออผมคิดว่านสมัยกรเป็นชาวบ้านที่ที่หายไทเทลิลหายพระาของของคอมมนิตี้ประอาชนคิดว่าต้องพยายาม ค ล, คลับที่เดิมทำพิธีตรง <ผม S 1> อย่างแล้วคือ ม, มีสองระบบนะสมณศักดิ์เนี่ยถ้าเป็นพระชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นในถ้าเป็นในหัวเมืองเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยถาวายสมณศักดิ์กับพระแต่ถ้าในเมืองนะกรุงเทพ <Yeah. S 2> ก็จะมีคำ ว, ว่าพระราชาคณะอันเนี่ยพระราชาเนี่ยจะเป็นคนถาวายสมณศักดิ์ให้กับให้กับพระ <Yeah. S 2> ราชาคณะคือเป็นพระของพระราชา <Okay. S 2> ใช่ไหม มันจะมีสองระบบใช่ไหมคราวนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอำนาจของพระราชาก็อยู่แค่ในเมืองไม่ได้กระจายเลยเลยนะถ้าเป็นนอกเมืองก็ชาวบ้านก็ถาวายสมบัศิสั์ให้พระถ้าเป็นในเมืองเช่นกรุงเทพพระพระราชาก็ถึงจะถาวายสมศัติ์กคราวนี้เมืองไทยเนี่ยมันเดี๋ยวที่จะมาบอกเนี่ยพอรัการที่5้าเนี่ยมัน nationalization ก็ nationalize ระบบ Honor System ด้วย h o n เน System เมนี่ยนะมันถูก n a t i o n a l i z e มันก็มาอยู่ที่พระราชาโลเโ ล, โลตกอนเนี่ยอันเนอร s ซิสเมป็นของโลเคอลใช่ไหมศูนย์มันก็ถูกศูนย์ศูนย์เซลล์บาทใช่อันนี้มันมีปัญหาเนี่ยคือพออ o น o r System เนี่ยมันมาถูก n a t i o n a l i z e เนี่ยประชาชนไม่มีส่วนร่วมใช่ไหมและตอนหลังเนี่ยพอพอพระราชาเป็นแค่เป็นแค่ เซ็นอย่างเดียวสมัยก่อนพระราชาเนี่ยนะไม่ใช่เมียบไม่ใช่แค่เซ็นอย่างเดียวนะกฎหมายนี่พระราชาก็ต้องดูใช่ไหมแล้วก็เซ็นแต่เดี๋ยวนี้พระราชาไม่ไดที่เซ็นอย่างเดียวใช่ไหมอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่รัฐบาลรัฐบาลก็ไม่รู้เรื่องศาสนานักการเมืองมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอออนอุตส่าห์เต็มเนี่ยมันก็ถูกมีการวิ่งเต้นมีการล็อบบี้ มีการใช้เงินมันก็เสียใช่ไหมแล้วต่หลังพระนี่ก็ไปหลงกับระบบสมณศักดิ์วิ่งเต้นใช้เงินซื้อเหมือนกับเหมือนกับที่วิ่งเต้นซื้อตําแหน่งตํารวจทหารใช่ไหมเหมือนกันเลยมันก็ไม่ได้พระที่มีคุณธรรมใช่ไหมพระที่มีเงินถึงจะได้ โปรโมชั่นที่เปไ็น่อหรือมีเส้นสายไป็โปรโมชั่นนะอันนี้เป็นที่รู้กันว่าเนี่ยเดนี้ผที่มีสมรสักร์เนี่ยก็ต้องมีการวิ่งเต้นถ้าไม่ีวิ่งเต้นก็ไม่ได้ใช่ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้ระบบมันเสียเพราะว่าถ้ามีสมรรัก์สูงในระบบคณะสงฆ์เนี่ยสมรรัก์กับอนานาจมาด้วยกันสมรศัก์กับอธิปไตยมาด้วยกันใช่อ น, นีพอมีสมรรัก์สูงเนี่ยแต่ว่าคุณธรรมแย่เนี่ย แล้วก็ดันมั น, นมนีอำนาจปกครองเนี่ยมันก็ทําให้เพียนไปหมดเกิดผลเสียก็มีข้อเสนอว่าให้มันถ้าเลิกไม่ได้ก็ให้แยกระหว่างสมรรถศักดิ์กับการปกครองคนละระบบกันนะสมรัถศักดิ์ใครใจะได้ก็ได้ไปแต่การปกครองเนี่ยนะมายทางหนึง่งสมรรถศักดิ์อาจจะมาจากพระราชาจากรัฐบาลให้ไปแต่การปกครอง การปกครองเนี่ยจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าท้าจังหวัดเนี่ยก็มาจากอีกระบบหนึ่งจะเลือกตั้งก็ได้แต่งตั้งก็ได้ครับคราวนี้สมราศักดิ์เนี่ยไม่ต้องอัตมาเสนอไม่ต้องทําให้ถ้ามันถ้ามันจะยังมีอยู่ก็ต้องให้มันอิงกับสังคมเช่นประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เสนอมีสิทธิ์เสนอชื่อพระรูปนี้ควรได้สมราศาักดิ์พระทัดทันดีนะอะไรเงี้ยให้มันมีลักษณะของการมีส่วนร่วม ของประชาชนบ้างไม่ใช่เป็นเป็น closed y s t e m ใช่ไหมก็เรื่องอ ม, หมหานิคายแล้วก็ทำมยุนิกายาพระอาชารย์คิดว่าเพราะว่ามีมีพระบงบังองค์ที่บอกว่าไฟมหานิคายไม่เคยพูดใช้เพราะว่าตำแหน่งของพระสงฆ์กเป็นตำแยุ่ในชื่ พัก16ปิที่ปันมาแล้วก็มหานิกายไม่ได้ตำแหน่งเลยอ่าแล้วก็สมเด็จช่วงเป็นมหานิกายใช่ไหมครับก็พระอาจารย์คิดว่าอันนี้ก็มีมีมี t e นไหมตอนั้นเรม่มีเทนช i o นเปนเพงแต่ว่าระบบของมาเทนสมาคมมันก็ไม่อยู่ติธรรมท่านเราทเราหมอนในเรื่องของ representative เพราะว่าอย่างเช่นสมเด็จเนี่ย เอาเช่นกรรมการมาเทเนี่ยก็มานิการทำยุทเท่าๆกันห้าสิบห้าสิบนันที่พระเนี่ยมานิกายเนี่ยมีประมาณ8ปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็ตใช่ไหมในแง่ representative เนี่ยมันก็มันก็ไม่แฟร์แล้วใช่ไหม ส, สังฆราชเอยสมเด็จก็มีแค่สี่สี่สมเด็จสี่สี่เนี่ยนะของของเนือ่องจากมานิกายเนี่ยมีจำนวนมากกว่า ก่อจะได้เป็นสมเด็จเนี่ยก็แก่แล้วธรรมยุทธเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่าแข่งกันน้อยเป็นสมเด็จตั้งแต่อิงหนุ่มนะอย่างสมเด็จยานเนี่ยนะสมเด็จพระสังกราชเนี่ยองค์กรเนี่ยท่านอรุภาคก้าท่านก็เป็นสมเด็จแล้ว ใ, ใช่ไหมหมหานิการยี่กว่าเป็นสมเด็จนี่ก็เจ็ดสิบเพราะคนเยอะไงใช่ไหมขนาดสมเด็จสังกราชองค์นี้เนี่ย ท่านไม่เอาตำแหน่งนะท่านไม่มี ambition นะแล้วท่านก็ไม่ไม่รับไม่รับสมณสังเนี่ยมาหลายครั้งนะแต่ห้าสิบเกเนี่ยก็ยังถือว่าหนุ่มใช่ไหมเพราะแล้วเนี่ยโอกาสที่สังกราชเนี่ยจะเป็นธรรมยุทธ์เนี่ยก็เป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าได้เป็นสมเด็จตั้งแต่ยังหนุ่มใช่ไหมลอยสองสองลอยแล้วสักยี่สิปีก็ได้เป็นสังกราชแล้วอายุเจ็ดสิบจะ ส่วนสมเด็จช่วนี่กว่าเป็นเนี่ย <90. S 1> อายุเท่าไหร่90บ่อเทาเรียแก่แล้ว <Okay. S 1> ไอ้ระบบเนี่ยถ้าเราดูดีดเนี่ยมันมันก็ไม่แฟร์กับมานิกายแล้วก็เป็นความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สังฆราชก็เป็นฝ่ายธรรมยึทธเยอะยิ่งถ้าเทียบสมัยสมัยราชาธิปไตยนะคือตั้งแต่รัชกาลที่4ลงมาจนถึงราักาลที่7เนี่ยจนถึง2 4 7 5เนี่ยทํธรรมยึทเป็นสังฆราชหมด ทำเป็นสังฆราชหมดเลยเนี่ยใช่ไหมยกเว้นองคเดียวยกเว้นองเดียวก็คือสังฆราชที่วัชสุทธัตถ์เนี่ยสมเด็จสังฆราชสัาก็อายุไม่กี่ไม่อายุได้เป็นสังฆราชไม่กี่ปีองค์เดียวที่เป็นที่เป็นมานิกายนะเพราะนั้นเนี่ยธรรมธรรมะมานิกายเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็มีความหวังไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วสมเด็จช่วงใช่ไหมคือถ้าาพูดตามระบบเนี่ยสมเด็จช่วงเนี่ย ก็ควรจะได้แต่ถ้ามีปัญหาเนไงนะถ้ามีปัญหาคือว่าท่านมีปัญหาเรื่องคดีอะไรต่างเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะเกิดจากการพยายามซับบทบาทนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ส่วนหนึ่งมันก็มีเหตุผลด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็ทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาว่าท่านเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่สมควร จะเอาแค่โคต้าไม่ได้คือการเป็นสังฆราชมันไม่ได้มขึ้นอยู่กับระบบโคต้าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้พูดถึงโคต้าเนี่ยมันมันถึงคราวสมานพิกายแล้วแต่สังฆราชมันไม่ใช่เรื่องโคต้าไงมันเป็นเรื่องของความถูกต้องด้วยกับคุณแม่ครับประอาจารย์ครับไม่สัมภาษณ์ท่านเคยสละนานมอะไรอย่างเงีสัมภาษณ์ที่วัดอ่อนน้อยนานไหมเออ ท่ามันนุ่ง o ั่งมงแล้วก็ไปที่วัตถุมค่ายสัมผักับพระองค์นึงอายุประมาณสามกว่าข้า r ผมคิดว่าขาที่อันเกิดพระปัส o าวะเกบอย่างเวลา o มพูเรองศาสนาพุทธเป็นศาสนาระจันทรดีไหมแล้วก็อรัมุ่ทุกบว Song, ส, บบสบบอองส asanaputpen ส asanaprachat ยกเวนที่บาปติเ i โอคุปมบคัวไม่ไมีเขาไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่เคยมีเ <c oughs> พราะไม่ร n ้ว่าเขาไม่รู้สมัยก่อนพุทธศาสนาไม่ไมรู้สึกอินซิเคียวเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องล่างตอนนี้รู้สึกพุทธศานาอินซิียวเลยต้องล่างต้องให้มีเรียกร้องในเวลาพูดเช่นกับพระพุทธอิสารียอนี้ Ka าบอก a ่ a mm hmm. เขาไม่เหเว็นแต่าสน o ปรั and and ่น่ c c t f o r e i g n Correspondent Club เราจะ a n พ a เนล politics r ราเชิญดรสุลักษณ์สิบารักษ์ม อลนวรียกวาอัจารยสุวนาสตตอานันต์ห่าทาพระอาจารย์มีเวลาเราต้องกานชวนพระอาจารย์ไเพื่อพิมิมโลเป็นวันที่ยี่สิบสองเดือนมิถุนายนครับปกติเนั้นมันก็ก็เเราจัดการดูเนีไทยไทยมันดูถึงกลางปีหน้าแล้วสกดูนะไทยก็บอกทางด็อกเตอร์นะม ว่าสเกลมันทายเป็นปีหน้โอเคก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็นน่าสนใจก็ครับน่าสนใจก็ผมคิดว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่มีมีคนที่ที่สนใจเยอะผคว่าแต่พุทธศาสนานะถ้าไม่รู้เรื่อง history นะมันจะเข้าใจยากมากเลยหรือโดยเพาะเรือเกี่ยวกับนาสงนะ ลักษณ์เนี่ยมันมีสัมพันธ์เรื่องประวัติศาสตร์มากยกตัวอย่างเนี่ยเช่นเรื่องทำไมมานิกายอย่างให้สมเด็จช่วงเป็นสังกัลลานี่มันก็มีความเป็นมาทางกระวัิศาสตร์ใช่ไหมกท็ที่ที่ม่านตองเทสมัยจมปนสาริทพระสังกัลลานเขยทุกทุกคงเป็นเป็ น, ปนทมยุทธ ยกคว้นอในระยะสิบปีอา่าทุกสังสั ง, สงมานิกายมีแต่ว่าอ า, อายุไม่กี่รูปมีแค่สองแล้วกไไไ็ไม่กี่ปีระยะ ไ, ไม่ยาววัดสกเกตใช่ไหมวัดสกเกตวัดสเกตกับวัดโพแค่นั้นแหละที่เหลือจำนวนหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงสิบปีที่เป็นมานิกายแต่ส่วนหนึ่งเพราะมานิกายเนี่ยอายุสั้น อายุสั้นพอใช่ไหมยอย่างสังฆราชนี้เนี่ยโอ้โหท่านเป็นท่านเป็นสังฆราชเนี่ยท่านอายุร้อยปีอ่ะใช่ไห ม, มแล้วก็เป็นสังฆราชตั้งแต่อายุเจ็ดสิบนะเันท่านเป็นสังฆราชมานานวันนี้กอายุสั้นตายเร็วทำมายุทเนี่ยตายช้าก็เลยได้เป็นนานไงเนพราะสังฆราชเป็นมันตลอดชีวิต Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, can you take a, a picture? Um, no. Mm -hmm. Come, okay. oh. ติดต่อถ้าพูดอีกพระไรนานนะกว่าจะได้พบอะไปโอเอ อ, อไม่ไมนานค<ด>รับแล้วผมทิ่โตเขาใหานัด ส, นน ส, นสัมสัมิวันครับผมผมเคยสัมผัดเวลาเขาอยู่ที่ชังวัฒนา